เนาแผนที่82ลำดับที่5โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงทําในวันที่6มิถุนายน2558มีชื่อเรื่องว่าก่อนปิดพระองค์ เมื่อวานเป็นวัน ส, ส, สวดมนต์เย็นที่วัดหลวงปู่เหลียญ น, นะครับนะัตตาญาติยมลูกหลานเป็นวันครอบรอบวันมรณภาพหลวงปู่เหลียนวราราโพวัดอรัญญบัรพศบ้านม่ อ, อเภอสีเชียงใหม่หนองคายแต่หลวงพ่อบอกไปอบอกกับหมู่พวกเพื่อนคณ ะ, ะสงฆ์ไปแล้วไปไม่ได้ พ่อหลวงพ่อปวดหลังออกจากปวดขาแล้วมาปวดหลังก่อนที่จะไปที่ไหนต้องดูกลัวจะเป็นภาระสําหรับพานลูกหลานที่ไปในงานเดี๋ยวลูกหลานเขาจะว่าให้อโอยหลวงพ่ออินเอ้ยขนาดปวดหลังขนาดนี้ก็ยังมาให้มูปยุงหน้าประยุกหลังเนานะเดี๋ยวเขาจะว่าให้หลวงพ่อน ะ, อะถ้าวัดพระ เนในวัดหลวงพ่อว่าให้หลวงพ่อก็ไม่ว่ากอะไรหรอกพอมาอยู่ในวัดถ้าออกไปวัดอื่นไปแล้วประยุงหน้าประยุงหลังไม่สบายใจก็เลยไม่ไปเมื่อวานก็เป็นการเมือ่อเมื่อวานก็สวดมนต์เย็นนะค <c oughs> ณะสงฆ์คณะสงฆ์คณะสิทธิ์ทั้งฝ่ายฆรวาสพระสงฆ์สวดมนต์เย็นเมื่อวานวันนี้ก็ทำบุญตักบาตรเช้าที่ วัดหลวงปู่เหลียนวันนี้แต่หลวงพ่อเขาไม่ได้ไปขอจับพระสงฆ์ทั้งหลายขอไม่ไปเพราะว่าสุขภาพไม่ดีแล้วก็วันนี้จะมีการบวชพระหนึ่งองค์นะพี่น้องศรัทธา ญ, ญาติโยมลูกหลานเมื่อฉันจังหันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คงจะเข้าไปบวชพระองค์หนึ่ง แต่พระในวัดของเราขณะนี้เดี๋ยวนี้ก็ทั้งหมดมีอยู่สามสิบเจ็ดรูปนาคสองวันนี้ลงมาฉันสามสิบสองดไม่ฉันห้าเอ๊ะทำไมหลวงพ่อว่าพระสาสิบเจ็ดเนี่ยทำนับไปนับมาทำไมสามสิบห้าในตาเราลายหรือเปล่าใช่ไอ <c oughs> พระเขาบอกว่าพระไม่ฉันจังหันห้ารูปวันนี้ บางทีท่านก็อดอาหารภาวนาของท่านแต่ลุงพ่อก็ไม่หวักอยากจะว่าอย่างนั้นทีเดียวหรอกเพื่อนอนตื่นสายก็ไม่ทราบเหมือนกันนะว่า <laughs> นอนตื่นสายก็เลย <clears throat> มาไม่ทันจะทำยังไงคนโบราณเขาบอกว่าตกขัวตกตกสะพานเน่ยเขาว่าขัวจะไม่เขาไม่ขัวขัวเนี่อแปลว่า สะพานไม้ลำเดียวนะอยู่ในป่ามันเป็นคลองน้ําเขาก็เอาไม้โค่นไม้แล้วก็พาดพาดข้ามคลองเนะี่ยไม้ลำเดียว เ, เขาเรียกว่าขัว้วไปว่าขัว้วไปว่าไม้สะพานลำเดียวคนโบราณเขาก็เลยถือเป็นคําพังเพยขึ้นมาว่าตกขัวต่างอาบน้ำํำทำไมตกขัวต่างอาบน้ํา พอเดินไปแล้วตกหมดไปตกขวัวหมดไปตกสะพานเพราะมันลื่นใช่ไหมพอตกต่มลงไปในน้ำเลยทำท่าอาบน้ำเฉยเลยว่บงั้นเอะคนถามว่าทำไมว่าอาบน้ำทว่ที่แท้เปนตัวเองตกขั้ว่างั้นเอะอันนี้ของเหมือนกันพระในวัดของเรานอนตื่นสายเลยทำท่าอดอาหารต่อไปเลยว่บนั้นเอเป็นผู้ดีไปเลยฟังๆัง อ, อนะคูบานะ กู้บาทั้งหลายแหละตกขัวต่างอาบน้ำนอนตื่นสายเลนเลยเลยพ่านอดอาหารไปเลยอดไปอดมาแล้วมันตื่นเช้าเองถึง ม, งมันหิวใช่ไหมละ่ะ อ, อดวันสองวันโอ้ไป่ได้ไม่ไ ด, ไได้ต่อไปก็ต้องพยายามตื่นเช้าเลย <c oughs> ดีนะเพาะวัดของหลวงพ่อมันอยู่ห่างไกลกันได้พัดเนื้อที่จะเป็นพันไร่ไม่ใช่อยู่ใกล้ๆ ก, กันเมื่อไหร่ พอตื่นขึ้นมาสายๆหนึ่งมาไม่ทันแล้วพอมันทางจากหลังวัดมาถึงหน้าสารานเป็นกิโลนะไม่ใช่น้อยนะวันนี้ก็เป็นวันที่หมิถุนายนพุทธศักราช2 5งร้อห้าสิบเจ็ดวันนี้เป็นวันเสาร์พวกเราออกมาฉันข้างนอกเราวันเฉาวันเสาร์วันอาทิตย์วันพระ เราจะออกมาฉันที่ศาลาข้างนอกอย่างนี้แหละเพราะว่าศาลาเราสร้างขึ้นมาแล้วก็ไม่ได้มาใช้มันเลยมันก็เศร้าหมองเหมือนกันนะมันคิดถึงเจ้าของกันนะเพราะฉะนั้นพวกเราก็ต้องมาใช้ให้เกิดประโยชน์แต่เราสร้างขึ้นมาก็เพื่อรองรับคนส่วนใหญ่แต่ในเมื่อคนส่วนใหญ่ไม่ใช่ใหญ่ทุกวันเราก็เออเสาร์อาทิตย์วันพระออกมาฉันข้างนอก วันธรรมดาเราก็ฉันข้างในเ <c> พ <oughs> ราะฉะนั้นคณะสัตาายาธิษฐานที่เข้ามาหรือเข้ามาพบเข้ามาวัดเอ๊ะทำไมวันหนึ่งฉันันข้างหนึ่งทําไมถี่หนึ่งสันที่หนึ่งเดี๋ยวจะแปลกใจในใจอีกละ่ะเพรานั้นหลวงพ่อจึงบอกกล่าวแจ้งข่าวให้คณะสัตยาธานาที่เข้มทั้งหลายได้ทราบแต่ถึงยังไง ในหลักของพระพุทธศาสนาหลวงพ่อพูดทุกวีทุกวันหลายชั้นหลายเชิงหลายเลี่ยหลายเหลี่ยมหลายแนวความคิดอยากจะให้พวกเราคณะสัตยาญาติโยงพระเนนลูกหลานของหลวงพ่อเป็นผู้รอบคอบมีสติปัญญาตั้งอยู่ในความไม่ประมาทสรุปแล้วคือสรุปก็คือให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทยอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านสั่งเสีย ลุกสิทธ์ก่อนที่พระ อ, องค์จะเข้าสู่มหาปรินิพานในวันเดือนหกเพนจวนสว่างปิดพระโอษฐ์เลยนะไม่พูดอะไรต่อทันว่าขยะวะธรรมมาสังคาราอัปปมาเดนะซัมปาเดท่าติปิดพระโอษฐ์ไม่พูดต่อสรุปแล้วก็คือความแปลและความหมายพระพุทธองค์สั่งว่า สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาเทเถิดอันนี้คือคําสั่งสังขารก็คือท่านว่าร่างกายของพวกเราเนี่เกิดมาแล้วก็แก่แก่แล้วก็เจ็บเจ็บแล้วก็ตายจะเป็นลุ่มหลงมัวเมาอะไรมากมายนักหนาจะเป็นหลงอะไรมากมายนักหนา ตายแล้วไม่สูญอีกต่างหากแล้วก็จงยังประโยชน์ตนประโยชน์ตนก่อนนะหาทำมาหาเลี้ยงชีพสำมาชีพอย่าไปทำมิจฉาชีพคิดดีทำดีพูดดีให้ตั้งอยู่ในฐานะเป็นคนดีอย่าเบียดเปลี่ยนตนและผู้อื่นอันไหนเบียดเบียนตนรู้ไหมเบียดเปลี่ยนคนอื่นรู้ไหม ทำให้คนอื่นทุกใจรู้ไหมทำให้คนอื่นไม่สบายใจทุกใจกับเรารู้ไหมอันนี้ก็คือให้ท่านให้มองตนแล้วก็คนอื่นเมื่อตนเป็นคนดีแล้วมีฐานะพออยู่พอเป็นพอไปแล้วให้ตรวจตราดูตรเหัมองเจ้าของมองเจ้าของดูเจ้าของอย่าลืมเจ้าของ จากจากนั้นก็มองคนอื่นที่รอบด้านรอบข้างมองพ่อมองแม่มองพี่มองน้องมองวงสาขนาญาติมองมิตรสหายมองผู้เกี่ยวข้องมองประเทศชาติบ้านเมืองมองโลกพอจะช่วยเหลืออะไรเขาได้ไหมในเมื่อตัวเองพอเป็นพอไปแล้วประโยชน์ตนก็พอเป็นพอไปแล้วก็ให้มองประโยชน์คนอื่นพระพุทธเจ้าท่านสั่งอย่างนั้นนะคณะสตยาญาติโยมลูกหลาน เพราะนั้นพวกเราเป็นพุทธศาสนิกชนเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านมีแนวคิดสั่งพวกเราอย่างนี้เพราะนั้นสรุปแล้วก็คือพวกเราท่านทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาทคำว่าประมาทคำนี้เนี่ยมันกินลึกนะกว้างขวางคำว่ากว้างขวางคำนี้คืออะไรประโยชน์ตนก็คือร่างกายอย่างที่หลวงพ่อพูดเมื่อกี้นี่คือร่างกายน ะ, ะคือร่างกายของเราเป็นอยู่ ทำมาหาเลี้ยงชีพสุดจริญไม่คดไม่โกงไม่ปนไม่จี๋ไม่เบียดไม่บังทำมาหาเลี้ยงชีพโดยสุดจริตอันนี้คือร่างกายส่วนจิตใจนั่นแหละส่วนนั้นส่วนลึกที่พระพุทธเจ้าท่านไม่ให้หลงไม่ให้ลืมอีกต่างหากทำยังไงส่วนลึกของหัวใจส่วนลึกของใจที่ธรรมะที่พระพุทธเจ้าไปค้นคว้าศึกษาที่โคลนต้นโพน แต่ตามพระตามไม่จริงเมื่อพระพุทธเจ้าทรงเป็นพระมหากษัตริย์อยู่ที่กรุงกบิลพัทมีครอบมีครัวมีหมู่มีเพื่อนมีสามีภรรยามีภรรยามีลูกมีพ่อมีแม่มีวงศากนญาติท่านเป็นพระมหากษัตริย์เป็นพระเจ้าแผ่นดินก็น่าจะเพียงพอเนี่น่าจะเพียงพอนี่แหละอันนี้ก็คือ ท่านบอกว่าเรื่องร่างกายเพียงพอเรื่องร่างกายการเป็นอยู่เพียงพอไม่มีอะไรที่จะเหนือกว่าเพราะเป็นพระเจ้าแผ่นดินสมบูรณ์บริบูรณ์ปกครองแบบสิทธิ์ขาดอีกต่างหากถ้าใครไม่เชื่อฟังตัดคอใครก็ได้เพราะสิทธิ์ขาดอยู่กับพระเจ้าแผ่นดินอันนี้คือการปกครองด้วย ก, การเป็นอยู่สมบูรณ์บริบูรณ์ทุกอย่างแต่พระองค์ มองดูเข้ามาทางด้านจิตใจคือแนวความคิดเนี่ยท่นี่อาหารทางด้านจิตใจอันนั้นคืออาหารกายอาหารกายนีย่สมบูรณ์บริบูรณ์ไม่มีขาดตกบกพร่องแต่พอมาอาหารทางจิตใจเท่เนี่มองเข้ามาหาจิตใจใจของเราเนี่ยเป็นยังไงมีความสุขเพียงพอหรือยังมันทุกข์ท่นี่จิตใจมันทุกข์มันว้าวเวอ้างว่างเงียบเหงาซึมเศร้าเพอได้สวดกันเนี่ย เราจะไปยังไงใจของเราเนี่ยเป็นยังไงทำไมคนเกิดมาแล้วแก่แก่แล้วทาไมเจ็บแล้วก็ตายทำไมเป็นอย่างนี้วะไม่มีช่องทางไม่มีทางอื่นหรื อ, อ, อไม่มีทางอื่นหรือที่จะอ อ, ออกจากจุดนี้ไปได้คนเราเนี่ยไม่ไม่ปรารถนาอย่างยิ่งเกิดมาแล้วตายใครๆก็กลัวทั้งหมดเรื่องความตายแต่จะทำยังไงจึงจะไม่ตายมีช่องทางไหม นี่แหละพระพุทธองค์พระพุทธเจ้าสิทธัตถะเป็นพระเจ้าแผ่นดินเเอามือกลุมขมับทั้งสองข้างลเลยทีนี้จะมีทางหรือเปล่าจะมีวิธีการหรือเปล่านี่เหมือนกับคนค้นคิดหาทางวิทยาศาสตร์อย่างนั้นแหอแต่ว่าเราจะไปอเมริกาเนะจะไปได้อย่างไรถ้าเดินไปมันก็ไม่ได้ไม่ถึงมันโลกมันมีมันมีกี่กี่อย่างอย่างนั้นไปทางเรือ ทางเรือก็ช้าเกินไปว่ะอคิดทางลัดก่อนได้ไหมคิดทางเครื่องบินฮเนี่แหละอันนี้ก็คือเป็นวิทยาศาสตร์อันนี้ก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าท่านก็คิดค้นคิดเหมือนกันจะทํำยังไงจึงจะไม่มาเวียนไายตายเกิดมีช่องทางไหมเนี่แหละอันนี้คือพร ะ, พ, ระพุทธองค์เห็นคนแก่คนเจ็บคนตายจากนั้นก็เห็นส ม, มณะส ม, มณะคือนักบวชเห็นพระนะ เห็นชมณะแต่ก็คงจะไมใ่ใช่พระอย่างพวกเราเน่ยก็คงจะเห็นนักพจนักบวชนอกศาสนาเนี่ยแต่ไปนั่งอยู่ตามลําพังอยู่โครนต้นไม้ตามลําพังนั่งคัดสมาธินั่งนี่งอยู่คนเดียวไม่รู้เนิ่งเพื่ออะไรก็ไม่รู้ละ่ะแต่พระพุทธองค์มองเห็นสิทธัตถานี่มองเห็นเป็นพระเจ้าแผ่นดินมองเอ๊ะเนี่ยถ้าเรามานั่ง อย่างสมณะท่านนี้นะเน่นั่งหาช่องทางนั่งนั่งค้นคิดในจิตในใจ네เราคงจะมีช่องทางถ้าเรานั่งอย่างมาค้นคิดอย่างสมณะท่านนี้แต่ถ้าเราอยู่ในเมืองนะอยู่ในเวียงในวังไม่รู้สนมกรรมนันไม่รู้ว่ า, าวอักขมัยเหศีทหารตำรวจพละเมือง สสแสวงหาไม่ช่วรักษาบ้านรักษาเมืองรักษาขอบเขตประเทศชาติเศรษฐกิจมากมายที่เราจะต้องได้คิดมันยุ่งเหยิงวุ่นวายไปหมดแต่ละวันตั้งแต่ตื่นขึ้นมาก็ใช่ละทั้งวันจนนอนหลับคงไม่คงไม่มีช่องทางไม่มีโอกาสที่จะค้นคิดหาหนทางที่ว่าจะไม่มาเกิดแก่เจ็บตายเลไม่มีทางถ้าหากว่ามาอยู่ ได้มาอยู่อย่างสมณะท่านนี้นะที่ท่านนั่งอยู่โคนต้นไม้เนี่ยนั่งหลับตาขัดสมาธิอย่างนี้คงจะมีหนทางนี่แหละที่พระพุทธเจ้าที่ศีสธรรท่านเหตุสมณะลวท่านก็มองเป็นตัวอย่างของท่านนะแล้วก็มองมาหาท่านแล้วก็มองไปดูสมณะจากนั้นพระองค์จึงตัดสินพระไท่จัดตัดสินใจเด็ดขาดเราคงจะออกหนีออกจากเวียงหวัง ไปบวชจากนั้นทา่านจริงดิตัดสินพระไทยออกจากเวียงวังกลางคืนหนีออกไปบวชไปกับนายนชันะกับม้าขันธกะสามชีวิตนะคืนม้าแล้วก็ออกกลางคืนเลยไม่มีจุดหมายปลายทางมา้าลกับบึงไปเรื่อยวิ่งอย่างสุดสนะุดอะ ไปจนถึงแม่น้ําอโนมานาทนะีนี่แหละวันเดือนเหเพนนะวันที่พระพุทธองค์บําเพ็ญหปีออกไปจากเวียงวงังแล้วหปีนะไปบองไปดูเจ้าของไปดูตนเองเนี่ยไปบําเพ็ญหาช่องทางที่จะไม่จะทํำยังไงจึงไม่มาเวียนไหวตายเกิดในวัตาสงสารท่านก็ค้นคิดยึงหปีอยู่ที่โคลนต้นโพนะ ผลในสุดวันเดือนหกเพนท่านกดบำเพนทางกายใช่ไหอบำเพนทางกายจนพายผอมผอมหมดเลยว่างั้นท่านวันลูบหน้าท้องเนี่ยเหมือนกับลูกสันหลังกระดูกสันหลังเพราะหน้าท้องมันติดอมันติดกระดูกสันหลังนะพอมันท้องมันเว้าวเข้าไปพอลูบหน้าท้องเหมือนกับลูกกระดูกสันหลังมันผอมขนาดนั้นแหอะผลในสุดไม่ใช่ทางการทรมาร ทรมานกายไม่ใช่ทางนี่แหละที่ว่าท่านไปนั่งทดค้นคิดหาเนี่ยนี่ค้นคิดหาวิทยาศาสตร์ที่จะหาทางพ้นทุกข์ไม่ใช่ธรรมดานะท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินอีกต่างหากสุขขนาดไหนบรมสุขขนาดไหนสำหรับคารวาสท่านยังเสียสละขนาดนั้นเพราะนั้นพระเหินลูกหลานของพวกเราทุกคนนะที่เข้ามาบวช ในทานอาหารในพักพรออ ย, อยู่สะดวกสบายถ้าเปรียบเทียบกับบรมครูของพวกเราแล้วคิดดูสิคิดถึงบรมครูของพวกเราสิท่านวางตัวขนาดไหนที่ท่านข้นคิดอันนี้ท่านค้นคิดใ ห, ให้เราแล้วมีแต่เราเรียนตามท่านันพอะเรียนตามเราก็ว่ายุ่งยาก แต่คนที่ค้นคิดเนะี่ยมันไม่ใช่ธรรมดานะเออแต่เพื่อพ่พวกเราที่เรียนตามเนี่ยพวกเรา็บุอุบัตว่ายากแต่ตามไม่จริงเออผู้ที่ท่านค้นคิดทีแรกยากกว่าเราตั้งเยอะแยะ เ, เพราะนั้นขอให้พวกเราพระเนนลูกหลานทุกองนะให้มีอุตสาหะวิริยะที่พูดให้ฟังทางนี้ทางนั้นนะให้มีความอดทนให้ใช้จิตใช้ปัญญา ใช้ความอดทนใช้ความรอบคอบทุกอย่างค่ะที่จะเดินตามแนวแถวของพุท ธ, ธะนะจากนั้นพวกเราเมื่อได้รู้ได้ริมรถที่พระธรรมคำสอนที่พระพุทธเจ้าที่ท่านพาดำเนินไปแล้วนะพวกเราจะได้รับความสงบสุขเย็นใจนัตติสันติปรังสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี เ, เราจะเจอ กับตัวของเราทุกๆ ท, ท่านถ้าเราเดินถูกที่ถูกทางนะถ้าเดินผิดที่ผิดทางก็อย่างว่าเหมือนกันนะทั้งที่เราจะเดินไปกรุงเทพนู่นเดินไปทางเขมรมันจะไปถึงกรุงเทพได้ยังไงฮะถ้าเราเดินถึงไปตามทิศทางที่พระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์พาดำเนินแล้วพวกเราจะต้องถึงจุดหมายปลายทางตามที่แผนที่ท่านบอกเอาไว้นะ แต่ทางพวกเราดันทุลังแผนที่บอกเก่งยุทยบางคนก็แนะนําผิดอีกต่างหากาไปหาพวกหูหนวกตาบอดอีกทั้งที่ท่านจะแนะนําไปทางนี้แหละไปกรุงเทพนู่นหูหนวกตาบอดก็ชี้ไปทางนู่นอไปทางเมืองขเขมรไปทางอุบลชี้ไปชี้ไปทางขเขมรแปลงไปทางเอ ไปถึงเขมรก็ซีไปทางเวียดนามอีกแล้ไปถึงกรุงเทพเพยเพราะเพราะว่าครูบาอาจารย์สาคัญนะลูกหลานนะคณะตัด ท, ทายญาตนะิโยมเลแต่ทั้งนี้ทางนั้นลุงพ่อไม่ให้ไม่ได้บอกลุงพ่ออินสําคัญไม่ใช่น ะ, เ, ะเรายกแนวแถวของหลวงปู่มั่นเลยละ่ะหลวงปู่มั่นท่านสอนอย่างไรพ่อแม่ครูบาอาจารย์องค์หลวงตามหาบัวหลวงปู่ล่าครูบาอาจารย์หลวงปู่เทศ ครูบาอาจารย์ต่างๆให้ศึกษาทีนี่แนวแถวที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์พาดําเนินมาอย่างไรให้ศึกษ า, าศึกษาเสร็จแล้วกั น, นให้ลงมือปฏิบัติถ้าหากว่าเราศึกษาแล้ว เ, าเราศึกษาตามลําพังให้ถามอีกอาถามครูบาอาจารย์อีกอที่ท่านอยู่ในวัดอย่างหลวงพ่อหลวงพ่อก็จะแนะนําให้ทุกหลานขนันตัฐธาญาติโยมเออ ให้พวกเราตีความหมายอย่างนี้นะที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านได้นมสั่งสอนนะควรจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะฟังดูนะถ้าเราไม่เชื่ออีกหลวงพ่ออีกไปถามอีกหลวงพ่อองค์อื่นอีกเนี่ยตีหลวงตาท่านสอนอย่างนี้อย่างนี้แต่องค์นั้นท่านสอนอย่างนี้ท่านแนะน า, านี้ถูกหรือเปล่าเนี่ยอันนี้เราก็ต้องศึกษาในรายละเอียดแตก่ก็อยู่ในตามแนวแถว ที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์พาดำเนินนั่นแหละออันนี้ก็คือทางนี้ทางนั้นเราไม่ได้ดูถูกว่ากล่าวสายอื่นองค์อื่นะอแต่เราตำหนิตรงว่าองค์ไหนแนะนำผิดนะเราว่าผิดนะเออมันผิดได้อ่าถ้าอย่างนั้นก็ครูชั้นตีชั้นโทษชั้นเอกไม่มีหรอกครูที่มีฝีมือครูที่มีมีฝีมืออในโลกนี่มันมีมากเหมือนกัน อหมอก็เหมือนกันหมอที่มีฝีมือหมอที่ไม่มีฝีมือครูที่มีฝีมือครูที่ไม่มีฝีมือมันครูบาอาจารย์พระกรรมฐานพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราก็เหมือนกันเออมันมีในโลกมันมีทางเลือกมีให้เลือกทั้งหมดนั่น่หละเพราะฉนั้นพวกเราจะเลือกอย่างไอสําสหรับพวกเราท่านทั้งหลาย อันนี้ก็เพียงแต่ลงพ่อเป็นผู้ชี้นำชี้แนะบอกกล่าวให้กับคณะตัดธาญาตโยมไม่ใช่ว่าอพอหลับตาจุดใดจุดหนึ่งนะใช่อันนี้ล่ะไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะต้องศึกษาให้กว้างขวางดูให้รอบครอบให้เรียนเรียนรู้เปรียบเทียบครูบาอาจารย์แต่ไม่ใช่เอาครูบาอาจารย์มาขึ้นเวทีชกชกกันไม่ใช่น ะ, อ, ะอย่างนั้นไม่ถูกน ะ, ะเพียงแต่ว่า แนวความคิดของท่านเป็นแนวแถวของพุทธะไหมมัน เ, เท่าได้ไหมกับพุทธว จ, จนะจุดนี้หรือที่พระพุทธเจา้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์สอนจุดนี้หรือพระสาวกท่านแนะนําอย่างนีเ้เราก็มาเปรียบเทียบดูไม่เหลือวิสัยหรอกพี่น้องศรัทธา ญ, ญาติโยมโลูกหลานท่าเราใช้ปัญญานะใช้ปัญญาค้นคว้าศึกษาแล้วไม่เหลือวิสัยไปได้โดนได้ ไปในทางที่ถูกต้องได้อแต่หลักทัศน์ลักษณะลักษณนะนะนะตัดสินทําวินัยพระพุทธเจ้าก็บอกไปแล้วหน่อยทำเหล่าใดเป็นไปเพื่อความมักน้อยสันโดษเป็นไปเพื่อความไม่คุกคลีด้วยหมู่คณะเป็นไปเพื่อความ อ, อะไรไม่อยากใหญเ่เป็นไปเพื่อความสันโดษมันมีอยู่ลักษณนะตัดสินทำวินัยแดประการถ้ามันเข้าจุดนั้นได้ ไปตามแนวแถวที่พระพุทธเจ้าท่านวางเอาไว้จุดนั้นได้มันก็ไปได้ถ้ามันกับถูกทางใชถ้ามันขวางกันถ้ามันสวนทางกันนะกับลักษณะตัดสินธรรมวินัยของพระพุทธเจ้านะั่นแปลว่าเออทำนั้นต้องผิดแหละต้องนํามาคิดแลละเอ๊ะมันถูกหรือเปล่านี่วะอพวกเราจะต้องอนํามาวิเคราะห์อีกทีหนึง่งด้วยสติด้วยปัญญาของพวกเรานะ วันนี้หลวงพ่อให้แนวความคิดสำหรับพวกคณะัทธาญาติโยมลูกหลานทุกองค์ในแนวหนึ่งต่อเนื่ไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรรับพรนรตนีเ น, น, นะ